สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีีเยปิวานนะครับในเช้านี้เราใช้ชีวิตสาวกครั้งที่สิบเอ็ดเรื่องการอธิษฐานสองพี่น้องครับคำอธิษฐานนั้นขอทบทวนนะครับมีสิบประเด็นครับการอธิษฐานแบบสาวกนั้นประการแรกนะครับถึงประการที่ห้าได้พูดไปในเมื่อวานนี้ผมจะขออนุญาตทบทวน ความจาเป็นประการแรกก็คือคำาอดิษฐานั้นต้องออกมาจากใจครับคําอดิษฐานต้องออกมาจากใจประการที่สองคือการอธิษฐานั้นเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงครับใจจริงไม่น่าไว้หวัหลังหลอกสามครับการอธิษฐานั้นต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อแบบไร้ความสงสัยเป็นความเชื่อแบบเด็กครับประการที่สี่ การอธิษฐานนั้นจะต้องยอมจำนนท์ไม่หวงสิ่งใดต่อพระเจ้าทิ้งทุกอย่างแล้วถามพระองค์ประการที่ห้าการอธิษฐานนั้นคือการสละสิ่งต่างๆเพื่อการได้มาซึ่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับอธิษฐานมากย่อมได้ริษํานาจและความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากนในเช้าวันนี้นะครับเราจะไปถึงข้อที่หกครับวิธีการอธิษฐานแบบสาวกนั้น ก็คือพยายามหลี ก, กบบเกลี่ยงการอธิษฐานแบบเห็นแก่ตัวพยายามหลีกเลี่ยงการอธิษฐานแบบเห็นแก่ตัวพี่น้องครับการเห็นแก่ตัวนั้นทําให้เราขอผิดครับขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาของเราอยากอบบทที่สี่ข้อสามนะได้พูดอย่างนี้นะครับว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัญหาของท่านหัวข้อใหญ่คำอธิษฐานของเรานั้นควรจะสนใจในเรื่องของพระเจ้าเวลาที่พระเยซูสอนเราอธิษฐานนะครับบอกว่าขอให้พระองค์เสด็จมาครอบครองเถิดขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องก็เห็นไหมครับว่า เราต้องอธิษฐานนะครับและสาระของเราในการอธิษฐานนั้นก็จะต้องอธิษฐานเผื่อแผ่นดินของพระเจ้าเผื่อนามัทไทยของพระเจ้าสาเร็จนะครับเผื่อคนอื่นๆแล้วจึงมาเผื่อเราเป็นคนสุดท้ายที่เจ็ดครับเราควรยกย่องพระเจ้าการทูลขอสิ่งสําคัญสําคัญจากพระเจ้านั้นถามว่าทํำไมก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ครับเราควรยกย่องพระเจ้า เราควรยบยองพระเจ้าขอให้เรามีความเชื่อจนหวังว่าจะรับสิ่งยิ่งใหญ่จากพระองค์แม้ว่าเราจะทําให้เสียพระไทยพระองค์อยู่บ่อยๆนะครับโดยหวังสิ่งเล็กๆน้อยๆจากพระองค์เราพอใจอยู่กับชยัยชนะเล็กๆน้อยๆครับได้รับสิ่งที่ไม่ค่อยดีปรารถนาสิ่งที่อ่อนแอพี่น้องครับ สิ่งต่างเหล่านี้ครับเราต้องยกย่องพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับสิ่งใหญ่จากพระองค์เราจะได้องบได้รับสิ่งใหญ่จากพระองค์พี่น้องครับอันที่แปดครับเมื่อเราอธิษฐานนั้นเราควรแน่ใจว่าเราได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วครับเมื่อเราอธิษฐานเราต้องแน่ใจว่าเราได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วหรืออย่างน้อยๆนะครับก็คือเราต้องอธิษฐานด้วยใจเชื่อและความพร้อมครับ เชื่อว่าพระองค์จะได้ยินได้ส่งตอบเราถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นน้ำมัทไทยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะส่งฟังเราในทางกลับกันครับถ้าเราทูลขอสิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเราก็จะไม่ได้พระเจ้าฟังเราครับแต่ตอบว่าไม่ได้ครับหรือไม่ตอบพี่น้องเวลาเราอธิษฐานในพระ น, นามพระเยซู หมายความว่าราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์ครับหลายครั้งความหมายนี้เราไม่ค่อยนํามาใช้พี่น้องโปรดฟังครั้งนะครับเมื่อเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูก็เท่ากับว่าเราหมายความว่าเราขอตามพระประสงค์ของพระองค์เราหมายความว่าเราได้อธิษฐานตามพระไทยของพระองค์ ขอทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามพระไตยของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพียมครับสิ่งใดที่ท่านท้าราชจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นนี่คือคำตรัสของพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสี่ข้อสิบสาสิบสีนะครับพระเยซูตรัสไปว่าเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ผ่านทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้น พี่น้องครับการขอในพระนามของพระองค์ก็หมายความว่าพระเยซูจูงมือเราครับและนําเราในการอธิษฐานหมายความว่าพระเยซูกําลังคุกเข่าอธิษฐานข้างเราครับและความปรารถนาของพระองค์ก็ไหลตั้งทูผ่านจิตใจของเราเนี่ยแหละครับเป็นความหมายของคําว่าขอในพระนามของพระเยซูพี่น้องครับประการที่เก้าครับ ทำอธิษฐานจะได้ผลอย่างแท้จริงเมื่อเราสารภาพบาปของเราเมื่อเราสารภาพความบาปของเราครับและทิ้งบาปทันทีเมื่อ ร, รู้ว่าเราได้ทําบาปแล้วในชูดีบทที่66ข้อ18นะครับถ้าข้าพเจ้าคิดนึกตรึกตรองความชั่วในใจพระเจ้าจะไม่ทรงฟังข้าพเจ้าเลยถ้าข้าพเจ้านึกตรึกตรองความชั่วในใจพระเจ้าจะไม่ทรงสดับ พี่น้องครับเราต้องอยู่ในพระคิดเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระคิดเราทูลขอได้ครับเราทูลขออะไรก็จะได้สิ่งนั้นเพราะคนที่สนิทกับพระคิดจะรู้ถึงพ้อประสงค์ของพระองค์ครับและเขาสามารถอธิษฐานอย่างได้เรื่องได้ราวครับอธิษฐานแบบได้เรื่องได้ราวแปลว่าอะไรครับก็คืออธิษฐานตามพระไตยของพระองค์เราจะได้รับแน่นอนเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ ข้อที่สิบครับข้อสุดท้ายเราไม่ควรจะอธิษฐานตามเวลาที่จัดไว้เป็นพิเศษในระหว่างวันเท่านั้นแต่เราควรจะพัฒนาท่าทีของการอาธิษฐานครับเราควรพัฒนาท่าทีของการอาธิษฐานเพื่อว่าเมื่อเราอาธิษฐานในขณะที่เดินไปตามถนนขับรถนั่งทํางานที่โต๊ะหรือทํางานในบ้านพี่น้องครับเวลาเราจะอธิษฐานนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง อธิษฐานในห้องนี้ห้องเดียวหรือในโบสถ์โบสถ์เดียวนะครับแต่เราอธิษฐานได้เมื่อเราขับรถแต่ต้องเปิดตานะครับทำงานที่โต๊ะทำงานบ้านหรือเดินไปตามถนนที่นะครับในฮ ม, มีเนี่ยนะครับท่านเป็นตัวอย่างในการอธิษฐานแบบนี้เนี่ยใมีบทที่สองข้อสี่นะครับ และมีอีกที่หนึ่งครับในเสลดีบทที่91ข้อหนึ่งเป็นการดีที่จะให้อยู่ในสถานที่เร้นรับของท่านผู้สูงสุดแทนที่จะเข้าเยี่ยมเป็นครั้งคราวที่น้องเปิดดูนะครับ91ข้อหนึ่งของพระธรรมเสุดีครับนะแปลตามภาษาใหม่ว่าเป็นการดีที่จะได้อยู่ในสถานที่เร้นรับของท่านผู้สูงสุดแทนที่จะเข้าเยี่ยมเป็นครั้งคราวพี่น้องครับสิบข้อนี้ครับ เป็นสิทข้อที่มีความสลัญสําคัญมากเราจะต้องถือว่าการอธิษฐาน น, น, นะาฐานั้นเป็นสิทธิพิเศษครับนะการอธิษฐานนั้นเป็นสิทธิพิเศษของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้จากการอธิษฐานให้มากขึ้นครับและเรียนรู้จากการที่พระเจ้าจะดนใจเราในการอธิษฐานมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย เกิดขึ้นได้โดยการอธิษฐานครับเราสามารถจุดแสงแห่งความหวังได้เราสามารถนำแสงแดดเข้าไปในที่เย็นชาขุ่นเคืองขุ่นข้องมองใจได้เราสามารถปลดโซ่จากขานักโทษได้เราสามารถให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสวรรค์คิดถึงสวรรค์ได้เราสามารถบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของผู้ที่ท้อใจได้เพียงครับ สิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นตามคำอธิษฐานครับอาเมน